ย่อมทำเส้นทางในสังสารวัตรให้หดสั้นลงและเห็นจุดหมายปลายทางอันเป็นที่จบที่สิ้นของวังวนทุกอย่างแจ่มชัดสมดังที่พระพุทธองค์ทรงตรัสกับท่านอนาบินทิกะเข้าฤหบดีในปัญจเวรยปพยาสูตรใจความโดยสรุปคือดูก่อนคขฤหบดีเมื่อใดภัยเวรห้าประการของอริยาสาวกสงบแล้วเมื่อนั้นอริยาสาวก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 เมื่อใช้หลักเทียบเคียงกับสังโยชน์สังโยชน์คือกิเลสเครื่องผูกใจบางท่านเปรียบไว้กับโซ่ร้อยรัดสิบเส้นดังนี้ 1. สักยะทิฐิความเห็นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นตัวของตน 2. วิจิกิจชาความเคลือบแคลงสงสัยในพระศาสดาและพระธรรมที่พระองค์ตรัสรู้ส ศีลพะตะปามา m ความเข้าใจผิดว่าความบริสุทธิ์อาจเกิดขึ้นได้ด้วยศีลพรนนอกศาสนาที่ปราศจากมรรคมีองค์8 4. การมราคะความติดใจในกามคุณ 5. ปฏิฆะความกระทบกระทั่งในใจ 6. รูปราคะความติดใจในชานอาศัยรูป 7. อารูปราคะ